ในบรรดาศิษยานุสิทธ์ที่เป็นพระภิกษุพระอุดมวิชยานเป็นห่วงพระเจริญมากกว่ารูปใดทั้งหมดด้วยเหตุที่ท่านเห็นว่าศิษฐ์ผู้นี้จะต้องชดใช้เวรที่ทำกรรมที่ก่ออีกมากมายหลายประการกรรมบางอย่างมีกําลังแรงมากจนแทบจะพรากชีวิตของเขาไปเสียจากโลกมนุษย์นั่นเทียว แต่ถึงกระนั้นกุศลกรรมที่ทำไว้ก็มีอยู่มากเช่นกันโดยเฉพาะการฝึกฝนอบรมตนทางด้านสมถะและวิปัสสนาซึ่งอานิสงค์ของการปฏิบัติสามารถจะทัดทานแรงกรรมฝ่ายอกุศลได้บ้างจริงอยู่ที่ว่ากรรมดีกับกรรมชั่วไม่อาจหักกลบลบล้างกันได้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 ทำกำชั่วไว้มากเหมือนน้ำหนึ่งแก้วกับเกลือหนึ่งกำมือเมื่อนําเกลือใส่ลงไปในน้ําก็จะทําให้น้ํานั้นมีรสเค็มใช้ดื่มแก้กระหายไม่ได้ส่วนผู้ที่ทํากรามดีไว้มากทํากําชั่วไว้น้อยเปรียบเหมือนแม่น้ําคงขาดทั้งสายกับเกลือหนึ่งกำมือเมื่อนําเกลือใส่ลงไปในแม่น้ํา ก็ไม่ถึงกับทำให้น้ำมีรสเค็มและยังคงใช้ดื่มแก้กระหายได้เหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนพระเจริญก็จะกลับวัดพลมบุรีเจ้าคุณอาจารย์เห็นว่าเขาบรรลุยาน16แล้วเท่ากับจบวิชาวิปัสสนาระดับปริญญาตรีแล้วส่วนปริญญาโทปริญญาเอกซึ่งเทียบได้กับการบรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไปนั้น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 จะคุณอาจารย์ให้เรียกหากระผมหรือครับพระหนุ่มถามหลังจากกราบเป็นจังคับประดิษฐ์3มครั้งแล้วถูกแล้วมีบางเรื่องที่ฉันอยากจะคุยกับเธอเหลืออีกเดือนเดียวก็จะครบหกเดือนแล้วใช่ไหมครับวันเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินอีกไม่นานกระผมก็จะได้กลับไปหาโยมยาย ดูเหมือนยมยายจะอยู่ในใจของท่านตลอดเวลาคงอายุมากแล้วสินะยงยายของเธอน่ะ93แล้วครับไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วเมื่อก่อนยังไปถืออุโบสถศีลที่วัดได้เดี๋ยวนี้ไปไม่ไหวแล้วอ๋อใครดูแลล่ะตอนอยู่บางม่วงหมู่พี่สาว ก, กระผมเป็นคนดูแล แต่พอย้ายมาอยู่ในตลาดอยู่กับโยมพ่อโยมแม่แล้วก็พี่ๆของกระผมครับทำไมถึงต้องย้ายอยู่ในตลาดไม่หนกหูแย่หรือสิงจกแจก็คจอแจทุกวันครับก็มีทั้งดีและไม่ดีอยู่ที่เดิมเงียบสงบดีแต่จนผู้ร้ายชุกชุมปล้นฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวันโยมพ่อโยมแม่กลัวจึงต้องอพยพมาอยู่ในตลาดซึ่งแม้จะอึกระทึก แต่ก็ปลอดภัยกว่าอยู่ที่เก่าคนบางคนนี่ก็แปลกนะครับท่านเจ้าคุณอาจารย์อาชีพมีออกมากมายทําไมจะต้องมาเป็นโจรผู้ร้ายเบียดเบียนผู้อื่นเพราะกรรมเขาทํามาอย่างนั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าบุคคลจะเป็นเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับกรรมเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นศิลปินก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรม เป็นคนรับใช้ก็เพราะกรรมเป็นโจรก็เพราะกรรมเป็นราชาก็เพราะกรรมมูสัตว์เป็นไปตามกรรมสัตว์โลกถูกผูกยึดกันไว้ด้วยกรรมเหมือนลิมสลักของรถที่กำลังเล่นไปฉะนั้ น, นี่มีในพระไตรปิฎกเล่มที่ส2บสองและเล่มที่ยี่สิบห้า เล่ม12บสองอยู่หน้าร้อยเจ็ดส่วนเล่มยี่สิบห้าอยู่หน้าส8 2้สองถ้าสนใจกบไปเปิดดูได้เจ้าคุณโชดกอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างบอกที่มาเสร็จสับท่านเจ้าคุณอาจารย์จำเก่งเหลือกเกินอย่างนี้นี่เองจึงได้รับสมญาว่าตู้พระรายปิดกเคลื่อนที่ คนที่ได้ป ร, ริญเก้าเก่งอย่างท่านเจ้าคุณอาจารย์ทุกคนหรือเปล่าครับพระหนุ่งถามเรื่องนั้นท่านไม่ทราบเพราะไม่ได้สนใจถ้าจะให้ตอบอย่างพระพุทธองค์ก็คงต้องว่าบุคคลจะเก่งก็เพราะกรรมแต่เท่าที่ฉันรู้นะพวกป ร, ริญเก่าที่ศึกออกไปกลายเป็นขี้เมายั้มไปก็ไม่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 ฉันว่าจะส่งเธอไปเรียนพระอภิธรรมที่วัดระคงังที่นั่นมีพระอาจารย์เตชินชาวพ ม, ม่าเป็นผู้สอนท่านเก่งมากพระพ ม, ม่ามักเก่งทางพระอภิธรรมวัดระคังฝั่งทนบุรีใช่ไหมครับที่สมเด็จพระพุทธเจา้าท่านเคยเป็นเจ้าอาวาสใช่ไหมครับท่านหมายถึงสมเด็จโต ถูกแล้วอยู่ฟังตรงขามวัดมหาธาตุเรานี่เองเธอก็นั่งเรือข้ามฟากไปเรียนเช้าไปเย็นกลับหรือถ้าที่นั่นมีกุติว่างจะอยู่วัดระคังเลยก็ได้ถ้าเธอตกลงใจพรุ่งนี้ฉันจะพาไปฝากครับและแต่ท่านเจ้าคุณอาจารย์จะกรุณากระผมไม่ขัดข้องดีแล้วถ้าเช่นนั้นพรุ่งนี้ฉันเช้าเสร็จ ไปกันเลยเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันโกนขึ้นสิบสี่ค่ำหลังจากฉันเช้าแล้วเจ้าคุณโชดกจึงาพาพระเจริญนั่งเรือข้ามฟากไปยังวัดระฆังโคสิตารามและบอกความประสงค์กับสมภารวัดระฆังว่าท่านจะนำลูกศิษย์มาฝากเรียนพระอภิธรรมดูหน่วยการแล้ว ถ้าทางจะเป็นคนฉลาดหลักแหลมหนักครับหรือท่านเจ้าคุณว่ายังไงสมภารวัดรคังรู้สึกถูกชะตากับพระหนุ่มฉลาดมากครับท่านสมภารดูเหมือนจะฉลาดมากเกินไปด้วยซ้ำเจ้าคุณอาจารย์พูดยิ้มยิ้มอย่าให้เกินสิ เอาแต่พอดีพอดีนะเธอนะต้องมัดหิมาปฏิปทาอย่าให้ตึงหรือยอนจนเกินไปท่านสมพานพูดกับพระนุ่มสุดแล้วแต่กรรมครับท่านสมพานบุคคลจะฉลาดพอดีพอดีหรือฉลาดเกินไปก็เพราะกรรม พระหนุ่มนำสิ่งที่ครูอาจารย์สอนมาใช้ได้ทันท่วงทีจะพูดอย่างนั้นกอถูแต่อย่าลืมว่ากรรมเป็นสิ่งที่แกไขได้ยกเว้นกรรมในอดีตที่แกไขไม่ได้เพราะมันผ่านไปแล้วแต่กรรมปัจจุบันเราแกไขได้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 อย่าพูดนอกเรื่องกันเป็นอันว่าฉันรับเธอไว้เป็นลูกศิษย์และจะฝากอาจารย์เต้ทินให้ท่านเจ้าคุณไม่ต้องห่วงนะครับท่านบอกพระอุดมวิชายานขอบคุณท่านสมพาน์ครับแล้วจะให้เขาไปกลับหรือว่าจะให้พักอยู่ที่นี่เลย เจ้าคุณโชดกถามสมภาไวัยเดียวกับท่านพักที่นี่เลยกุฏิลุงปูนามีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งลุงปูทันชราภาพมากแล้วถ้าได้คนมาอยู่ไกลๆก็จะดีจะได้ช่วยดูแลเวลาทันอาพาถ้าชิ่นนั้นคงต้องให้เขากลับไปขนเครื่องอัฐบริคารมาที่นี่เลย หรือท่านสมภารจะเห็นว่ากระไรดีครับจะได้เหตเขาไปส่งท่านเจ้าคุณด้วยประเดี๋ยวผมจะให้เนนไปช่วยคน้นแล้วท่านจึงเรียกสามเณรรูปหนึ่งมาสั่งการจากนั้นพระอุดมวิทยานจึงลาสมภารกลับมายัางคณะห้าพร้อมพระเจริญและสามเณรรูปที่จะมาช่วยพระหนุ่มขนเครื่องอัฐบริขาร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 ไม่เละเลือนหลงลืมเหมือนคนแก่ทั่วๆวไปเมื่อพระเจริญไปอยู่ร่วมกุติก็ช่วยโนดเฟ้นให้ท่านเหมือนที่เคยปรนิบัติหลวงพ่อเดิมหลวงปู่นาคได้เล่าให้พระหนุ่มฟังว่าท่านมาอยู่วัดระฆังตั้งแต่อายุ9ก้าขวบมาเป็นลูกศิษย์รับใช้สมเด็จโตและเมื่อสมเด็จท่านมรณภาพท่านก็บวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดนี้ และได้เก็บรักษาเครื่องอัฐบริขารของสมเด็จไว้นอกจากนี้ท่านยังได้มรดกจากสมเด็จเป็นสร้อยลูกประคำ9สีมีร้อยแเม็ดแต่ละเม็ดสลักเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิลุงปู่บอกว่าลูกประคำเหล่านี้สมเด็จท่านแกะสลักจากกิ่งโพที่หล่นลงมาเกลื่อนลานวัดท่านจะเลือกกิ่งที่มีขนาดเท่านิ้วก้อย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 เพื่อบูชาพระอรหันต์เมื่อจะสวดทินบัญชรท่านจะสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและพาหุง ม, มหาการุนิโกก่อนแล้วจึงจะสวดคาถาินบัญชรเป็นลำดับสุดท้ายพงที่ใช้ทมพระสมเด็จนั้นท่านก็ทำขึ้นมาเองโดยเก็บรวบรวมดอกไม้บ้างพวงมาลัยบ้าง ที่ญาติโยมถวายแล้วนำมาตากแห้งและโคลกให้เป็นผมโดยหลวงปู่นาคจะมีหน้าที่โคลกให้ท่านนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วสมเด็จท่านยังชอบเรียนภาษาสิงหนท่านพูดอ่านเขียนภาษาสิงหนได้เป็นอย่างดีและยังสอนให้หลวงปู่นาคด้วยนี่ไงผลงานของท่าน หลวงปู่นำแผ่นกระดาษสีทองที่มีตัวอักษรขยุกขยิอยู่เต็มมาให้พระเจริญดูนี่คือภาษาสิงหนหรือครับพระหนุ่มถามโทษแล้วท่านเขียนเล่าเรื่องราวต่างๆที่โกิดคุณคล้ายๆกับบันทึกประจำวันว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบางหลวงปู่อ่านได้ใช่ไหมครับได้สิ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 แต่ไม่มีใครยอมเรียนพอมาเริ่มได้สองสามวันก็ไม่เอาแล้วหลุงปู่นาคเล่าเรียนยากไหมครับไม่ยากถ้ามีความมานะอดทนเจ้าจะเรียนไหมปู่จะสอนให้ถ้าทางฉลาดฉลาดอย่างเจ้าก็เรียนได้ ผมกำลังเรียนพระอภิธรรมอยู่ไม่ทราบว่าจะเรียนภาษาสิงหลนไปด้วยจะได้ไหมครับทำไมจะไม่ได้ละ่ะเจ้าเรียนพระอภิธรรมตอนกลางวันกับอาจารย์เตชินกลางคืนก็เรียนภาษาสิงห์นกับโปถ้ารู้จักแบ่งเวลาเจ้าก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีก เจ้าเรียนสมถะมาด้วยไม่ใช่หรือครับผมเรียนสมถะเรียนคาถาอาคมต่างๆมามากมายแต่ไม่ค่อยได้ใช้คิดว่ารู้ไว้ก็ไม่เสียหายอะไรหลวงพ่อเดิมท่านสอนผมว่ามีเสื้อหลายตัวดีกว่ามีตัวเดียวเจ้าโชคดีมากนะที่ได้อยู่กับท่าน พระภิกษุรัตัญยูอย่างหลวงพ่อเดิมหาไม่ได้ง่ายๆครับแล้วผมก็โชคดีที่ได้มาอยู่กับหลวงปูน่นาคผู้เป็นภิกษุรัตัญยูเช่นกันหลวงปู่กับหลวงพ่อเดิมคงอายุไม่ห่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมครับผู้อ่อนกว่าท่านราวแปดเกาปีเห็นจะด้นิ่งกันไปพักหนึ่งพระหนุ่ม จึงถามขึ้นว่าลุงปู่เคยเห็นมั ก, กระีผลไหมครับทำทำไมแทนคำตอบลุงปู่กลับถามคือยมยายของผมท่านเล่าให้ฟังว่าหลุงพ่อช้างวัดตึกราชาท่านพูดภาษาสิงห์นได้และท่านก็ไปเที่ยวปาหิมพานได้เห็นมั ก, กระีผลด้วย แล้วท่านจึงเล่าเรื่องที่โยมยายเล่าให้ฟังสมัยที่ท่านเป็นเด็กเล่าจบจึงเผยความในใจว่าเมื่อผมเรียนภาษาสิงหนกับหลวงปู่จนพูดได้แล้วผมจะไปเที่ยวป่าหิมะพาดจะไปดูให้เห็นกับตาว่ามักกะีผลรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเห็นหลวงพ่อช้างบอกโยมยายว่าสวยมากผมอยากไปพิสูจน์เจ้าจะได้พบแน่นอน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 พระหนุ่มถามรู้สึกว่าเวลาที่หลวงปู่บอกช่างยาวไกลมิรู้ว่าตัวท่านจะมีอายุยืนยาวไปถึงวันนั้นหรือไม่เอาเถอะจะที่ไหนก็ต้องได้พบจำคำปู่ไว้ก่อแล้วกันรู้จะจดบันทึกไว้ก่อได้ดังนั้นเมื่อกลับมายังห้องของท่านแล้วพระหนุ่ม จึงจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานพระเจริญต้องเลื่อนเวลากลับวัดพรมบุรีออกไปอีกสองเดือนเวลาสามเดือนที่พำนักอยู่วัดระฆังท่านได้ศึกษาพระอภิธรรมจนเข้าใจจิตเจตสิกรูปนิพพานและได้เรียนภาษาสิงหง์หนกับหลวงปู่นาคจนสามารถอ่านบันทึกแผ่นทอง ของสมเด็จพระพุทธจาจย์ได้ปรากฏว่าเรื่องราวต่างๆที่สมเด็จท่านบันทึกไว้นั้นตรงกับเรื่องที่โยมผ่องเล่ามาทุกประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องยายแฝงเรื่องมหาทองหรือเรื่องแม่นาคพระขนงนอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆที่โยมผ่องไม่ได้เล่าอีกจะเป็นว่าแก่ไม่มีเวลาเล่าหรือสมเด็จท่าน มิได้เล่าให้โยมพ่อของแกฟังก็เป็นได้เมื่อท่านกลับวัดพรมบุรีลุงปูนาคได้ให้มรดกของสมเด็จโตหลายอย่างแก่ท่านมีพระสมเด็จห้าองค์สร้อยลูกประคำก้าสีหนึ่งเส้นและผงสมเด็จอีกหนึ่งโถใหญ่ๆเอาไว้เวลาหลอพระก็ใช้ผงสมเด็จผสม อย่าใช้คราวเดียวหมดนะผสมไปครั้งละสองกำมือกอบหอที่เหลือเก็บไว้แจกลูกสิ็ลูกหาเวลาใครเขาจะหลออพระก็แบ่งให้ครบไปเก็บได้เป็นสิบสิบปีเจียวละฮาไม่ได้อีกแล้วขอบพระคุณหลวงปู่มากครับท่านกราบหลวงปู่ด้วยความซาบซึง้ง ในเมตตาของภิกษุสูงอายุก่อนกลับวัดพรมบรีหนึ่งวันท่านได้นั่งเรือข้ามฟากไปกราบเจ้าคุณอาจารย์มหาหนูมหาแพงพระครูประกาศและมิสหายที่เคยรู้จักกันเจ้าคุณโชดกให้ศีลให้พรสิทธิ์ก้นกุตติและเตือนว่าท่านจะต้องรับกรรมอีกหลายอย่างขอให้ยอมรับอย่างน่าชื่นตาบาน ชดใช้กรรมหมดแล้วท่านก็จะเป็นวิปัสนาจารย์ผู้มีชื่อเสียงต่อไปในวันข้างหน้า